วันนี้เป็นวันศุกร์ที่24ในสายุนพุทธศักราช2569เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมการฟังธรรมเพื่อกำจัด ความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะเพราะการฟังธรรมจะทำให้ผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเรื่องที่ผู้ฟังกำลังกลังกาลังลังเลสงสัยอยู่เรื่องที่ ผู้ฟังมักจะลังเลยสงสัยกันก็คือเรื่องตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วไปสวรรค์ไปนรกหรือไปนิพพานความสงสัยเหล่านี้จะถูกกาจัดได้หมดสิ้นไป จากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดทะลุทรงรู้ทรงเห็นเรื่องของการไปเกิดใหม่ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องของตายแล้่อสูญนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผู้ที่คิดว่า เตายแล้วศูนย์ก็คิดว่าชีวิตมีเพียงร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปสวรรค์หรือใครจะไปนรกหรือใครจะไปนิพพานเพราะว่าคิดว่าชีวิตมีส่วนประกอบเพียงส่วนเดียวคือมีร่างกายผู้ทำบุญหรือทำบาปผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ได้มรรคผล น, ผนิพพานพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกใครจะไปรับผลไปมรรคผล น, ผนิพพานเพราะว่าผู้ที่เชื่อแบบนี้ไม่มียาอย่างทราบไม่มีดวงตาเห็นส่วนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าส่วนนั้นก็คือจิตใจจิตใจผู้วงการผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําบุญสั่งให้ร่างกายทําบาปใจใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทําบุญและอกระทาบาป ถ้าร่างกายไม่มีใจสั่งให้ไปทำบุญหรือไปทำบาปนร่งกายก็จะอยู่เฉยๆไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหตุที่ร่างกายเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้เพราะว่ามีใจเป็นผู้สั่งการสั่งให้มาทำบุญสั่งให้มาทำบาสอร่งกายนี้ถ้าเปรียบเทียมก็เป็นเหมือนกับมีดหรือปืน มีดหรือปืนนี้ถ้าวางไว้เฉยๆไม่มีใครมาหยิบเอาไปใช้มีดหรือปืนมันก็จะอยู่ที่ตรงนั้นมันจะไม่ไปไหนแต่เวลามีใครมาหยิบมีดหรือปืนไปใช้ไปทาคุณหรือไปทาประโยชน์ไปทาโทษทาบาปผู้ที่จะรับผลของการกระทำนี้ไม่ใช่มีดหรือปืนเป็นผู้ที่จะเอามีดหรือปืนไปทำ เช่นคนอามีดไปฆ่าคนอื่นเอาเปืนไปยิงคนอื่นเวลาตำรวจมาจับจะไม่จับมีดหรือปืนไปติดคุกติดตารางแต่จะจับคนใช้ใช้มีดหรือใช้ปืนไปติดคุกติดตารางชันในร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนมีดหรือปืนเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งผู้ที่ใช้ร่างกาย ใช้เครื่องมือชิ้นนี้ก็คือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งการด้วยความคิดเช่นวันนี้สั่งให้ร่างกายมาวัดมาทำบุญพอได้มาทำบุญเสร็จผู้ที่ได้รับผลบุญก็คือความสุขใจก็คือใจร่างกายไม่ได้รับผลบุญแต่อย่างไรร่างกายไม่มีความรู้สึกสุขรู้ทุก ไปกับการทาบุญหรือทาบาปผู้ที่รับผลบุญผลบาปคือใจผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นดังนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปก็ไม่เป็นประเด็นสาคัญอะไรเพราะผู้ที่ทำบุญทำบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือใจใจนี้ก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณไป พอไม่มีร่างกายใจยก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วใจก็จะไปสวรรค์หรือไปนรกตามกําลังของบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้ถ้าทําบุญมากกว่าทำบาปใจก็จะไปสวรรค์ถ้าทําบาปมากกว่าทำบุญใจก็จะไปนรกหรือไปอบายนารกหรื อ, อบายหรือสวรรค์นี่เป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลาที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนแต่ใจไม่ได้หลับพักผ่อนไปกับร่างกายใจก็ไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์ในรูปแบบของความฝันนี่เองถ้าฝันดีเราก็เรียกว่าไปสวรรค์กันถ้าฝันร้ายฝันไม่ดีเราก็เรียกว่าไปนรกไปอาบายกัน นี่แหะคือสภาพของนรกหรือของสวรรค์เวลาที่ร่างกายไม่มีหรือเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนไม่เคลื่อนไหวใจเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าท ำ, ทำบุญมากกว่ททำบาปบุญก็จะเป็นผู้ผลิตความฝันที่ดีให้ ใจได้สัมผัสรับรู้ฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์เพราะเป็นฝันที่มีความสุขมีแต่เรื่องดีๆแต่ถ้ามีบาปมากก็มีบุญบาปก็จะเป็นพูดผลิตความฝันให้ใจได้สัมผัสบาปก็จะผิดแต่ผลิตแต่เรื่องที่น่ากเกลียด น, น่ากลัวผลิตแต่เรื่องที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ เราก็เรียกว่าเราก็เรียกว่านรกรื้อัอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสั่งที่คนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองจนกว่าเราจะได้ปฏิบัติตามที่พูะเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติคือเราต้องปฏิบัติจิตตะภาวนา คือเราต้องเข้าสมาธิให้ได้แล้วก็เจริญปัญญาตามลำดับต่อไปถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราจะมีตาในปรากฏขึ้นมาตาในก็คือแสงสว่างแห่งธรรมนี่เองที่เราเรียกว่าตาในตาทิพตาในก็คือตาทิพตอนนี้ตาทิพของพวกเราถูกปิดด้วยอำนาจของ เลสตัณหาโมหะอวิชาทําให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าความฝันนี้เป็นอะไรฝันดีเป็นอะไรฝันร้ายเป็นอะไรเราไม่รู้กันเพราะเราไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมเราไม่ได้เปิดตาในไม่ได้เปิดตาทิพย์ของเราให้ ปรากฏขึ้นมาตอนนี้ตาทิพย์ของพวกเราถูกปิดกั้นด้วยอานาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่จะไม่ให้เรามองเห็นโลกสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ไม่ให้เราเห็นนรกไม่ให้เราเห็นสวรรค์ไม่ให้เราเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของพวกเราไม่ให้เห็น สวรรค์ไม่ได้เห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ได้เห็นไม่ให้เห็นพานิพานว่าอยู่ตรงไหนและทำอย่างไรถึงจะไปถึงพันิพานได้แต่คนที่ได้เปิดตาทิพย์แล้วคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตัศมกทั้งหลายนี้ท่านจะเห็นเรื่องราวต่าง ที่คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราไม่สามารถเห็นได้ก็คือเห็นดวงวิญญาณที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเห็นดวงวิญญาณที่ไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์หรือในอบายในนรกเห็นดวงวิญญาณที่ยังถูกกำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาคอยผักดันให้ไปเกิดแก่เจ็บตายไปเวียนล่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุด และเห็นดวงวิญญาณที่ได้รับการขบฝนอบลมได้รับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นตัวผลักดันให้จิตต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ได้สิ้นสุดได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ สิเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สา์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราเข้าหาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรื่องได้ยินได้เรื่องได้ยินได้ฟังเรื่องราวของจิตใจหรือดวงวิญญาณว่าเป็นอย่างไร ว่าเป็นผู้ที่ทำบุญและเป็นผู้ที่ทำบาปและเป็นผู้ที่จะไม่รับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผลบุญผลบาปนี้ไม่ได้สูญไม่ได้สูญไปกับความตายของร่างกายร่างกายตายไปใจผู้เป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำบุญทำบาปก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป และได้รับผลบุญผลบาปตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังไม่ตายเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าจะมองที่ตรงไหนนั่นเองความจริงเวลาเราทําบุญหรือทาบาปนี้ผลได้เกิดขึ้นทันทีแล้วเช่นเวลาเราได้ทาบุญเสร็จแล้วนี่ใจเราจะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความอมอ่มเอิบใจเกิดความปิติเกิดความสุขขึ้นมาบางคนก็เกิดความเพิ่มปิติ น้ำตาไหลก็มาก็เกิดอันนี้แหละเรียกว่าผลบุญผลที่เกิดจากการทำบุญแล้วเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายร่างกายก็ยังเป็นร่างกายเหมือนเดิมถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเดิมถ้าหิวกระหายก็ยังหิวกระหายเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรงไหนส่วนที่เปลี่ยนแปลงคือใจใจที่จะรู้สึกเฉยใจที่รู้สึกเฉยเฉย พอได้ทาบุญก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในใจจากการเป็นรู้สึกเฉยๆมาเป็นความรู้สึกมีความสุขใจประทับใจมีความอิ่มเอิบใจขึ้นมาทันทีอันนี้แหละคือผลบุญที่เกิดขึ้นทันทีเกิดที่ใจแต่เรามักจะมองไปมองที่ทางร่างกายว่าทาบุญแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยสักที ทำบุญแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทันทีทำบุญแล้วเมื่อไหร่เราจะได้มีคนมาสรรเสริญเยินยอยกย่องเราให้รางวัลกับเราเราไปมองผิดที่กันไปมองที่ทางราบยศสรรเสริญไม่เราไม่ได้มามองที่ใจของเราเราจรึงไม่รู้ว่า ผลบุญผลบาปนั้นเกิดขึ้นต้เกิดขึ้นแล้วหรือยังคว<ม>ามจริงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราทําบุญหรือทําบาปแล้วถ้าเราทําบาปใจเราก็จะทุกร้อนขึ้นมาทันทีเช่น<ม>ถ้าเราไปทําร้ายใครนี่<ม>ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนนี้ใจเราจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>ใจเราวิตกกังวลหวาดกลัวขึ้นมาทันที อันนี้เป็นผลของการทำบาปเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกข์ใจจะไม่สงบใจจะมีความหวาดวิตกกังวลต่างๆกลัวว่าจะต้องไปรับผลของการกระทำบาปของตนนั่นเองอเท่นไปปล้นธนาคารหรือไปปล้นร้านค้าทองได้ทองมาแล้วแต่นี้ต้องคอยวิ่งหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะต้องมีความห ว, ดวาดภวะ เวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินผ่านมาบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้มาตามจับเราเขาไม่รู้เรื่องว่าเราเป็นผู้ไปปล้นร้านทองร้านค้านี่แต่เรานี่รู้ว่าเราทำแล้วเราก็ตกใจกลัวขึ้นมาทันทีอันนี้แหละคือผลของบาปที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราได้ทำบาปไปแล้วเกิดขึ้นที่ใจของเราเป็นอันดับแรกเกิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วท่านที่สองพยะธที่สองที่ผลของบุญและบาศจะเกิดขึ้นก็คือตอนที่ร่า ง, างกายของเราตายไปแล้ว<ม>พอร่างกายตายไปแล้วใจของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณ<ม>ก็จะมีบุญหรือบาปเป็นผู้มารับตัวไป<ม>ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้มารับดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ ให้ไปอยู่ในแดนของความฝันที่ดีฝันแต่เรื่องดีๆมีความสุขตลอด24ชั่วโมงไปจนกว่าอำนาจของบุญของบาปของบุญที่ได้ทําไว้ได้หมดลงมเมื่อได้หมดลงแล้วก็จะลงจากสวรรค์มาเพื่อเพื่อไปรอรับร่างกายอันใหม่ถ้ายังไม่ได้ชําระจิตใจให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลง ก็ยังจะต้องไปไปเกิดใหม่อีกอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับถ้าเราทําบาป<ม>ไปดานั่งกายตายไปดวงวิญญาณก็จะมีบาปมารับไปถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญบาปก็จะมารับไปให้ไปอยู่ในอบาย<ม>ไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอนุสวรรกายบ้างไปอยู่ในอนรกบ้าง หรือถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอันนี้แหละเป็นผลระยะที่สองของการทําบุญหรือทำบาปแล้วหลังจากที่ได้ใช้ผลบุญผลบาปแล้วบุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในาบากได้ตอนนั้นดวงวิญญาณก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์ต่อไปถ้ายังมีกิเลสยังมีความโลภ ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสดต่างๆอยู่ยังมีความอยากหาความสุขจากลาบนสดสนเสริญอยู่ตัวอย่างนี้มันก็จะพาให้ดวงวิญญาณไปรอรับร่างกายใหม่เพราะร่างกายของมนุษย์นี้มีตาหูจมูกมิ้นกายที่ใจต้องการเป็นเครื่องมือใจต้องการดูรูปก็ต้องมีตาใจต้องการฟังเสียงก็ต้องมีหูเป็นต้นร่างกายมีอายตนะห้า มีตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเครื่องมือที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลัทธะที่มีอยู่ในโลกนี้<ม>นี่คือสาเหตุที่ทาไมเราพวกเรายังยังมาเกิดกันอยู่ในขณะนี้เพราะพวกเรายังมีความโลภความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเยู่ยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากกินอยากดื่ ม, ม, มอยากเที่ยวอยากเล่น อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธพาในรูปแบบต่างๆอยู่ความอยากนี้เลยเป็นตัวผลักดันให้ดวงวิญญาณของพวกเหล่านี้ต้องมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเราสามารถซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดได้หยุดความโลภความอยากต่างๆได้ ดวงวิญญาณของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ต่อไปจิดวงวิญญาณก็จะอยู่ในพ า, านิพานหรือเรียกว่นนานิพานดวงวิญญาณที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอได้รับการซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขั้นสูงก็จะสามารถทำให้เหตุที่พาให้จิตใจ ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ได้ยุติเวียนว่ายตายเกิดก็จะอยู่ที่พระนิพพานนิพพานพานี้เป็นที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกได้ถูกซักพอออกไปจากใจจนหมดสิน้นก็คือความโลภความอยากความโกรธต่างๆนี้ อไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความโลภความโกรธความโง่ไม่มีความอยากต่างๆน้องแล้วยินดี ใ, ใจใจก็จะสงบไปตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอตลอดเวลาเป็นสุขที่สูงสุดที่เรียกว่าบร ม, มสุขนิ้บานังปรามังสุขขังอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีใครรู้วิธีซักพอกจิตใจไม่มีใครรู้วิธีทําให้ใจหยุดเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเทอาจึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้วิธีการซักพอกจิตใจให้สะอาดลอยสุดนี้ก่อนแล้วเอาความรู้ที่ได้ส่งรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ยังมีผู้ที่สามารถนํำมาไปใช้สร้างครอจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเมื่อมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกมีพระธรรมคําสอนก็จะมีพระพุทธศาสนาที่จะมาคอยสอนคอยบอกผู้ที่อยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายเพรอเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้ เป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นเองไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์อีกต่อไปพอได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบกับพระพุทธศาสนาก็จะเรียนรู้วิธีการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาตามลาดับต่อไปต้องมีพระพุทธศาสนาถึงจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถ้าในยุคใดไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะมีมีการสอนให้ทาบุญทาบาปซึ่งเป็นคำสอนพื้นฐานของผู้ที่มีความฉลาดถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะมีศาสนาอื่นที่จะสอนให้เราทำบุญไม่ให้เราทำบาป ก, กันเราก็จะไปสวรรค์กันถ้าเราทำบุญ เราถ้าเราไม่เชื่อคำสอนของศาสนาเราก็จะไปทำบาปกันทำบาปแล้วเราก็จะไปอบายกันพอออกจากอบายหรือออกมาจากสวรรค์เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทำบุญทำบาปกันอีกต่ออีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันชิ้นสุด การเวียนว่าตายเกิดในสุกติก็ดีในทุกติก็ดีก็จะเป็นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเท่นั้นึงจะสามารถรู้จากวิธียุติการเวียนว่าตายเกิดได้อย่างพวกเรานี้ถือว่าเป็นคู่ที่มีโชคมีวาสนาเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา มีคำสอนที่จะสอนให้เรานี้ยุติการเงียนว่ายตายเกิดได้นอกจากสอนให้เราไปสวรรค์แล้วนอกจากสอนให้เราปิดประตูอบายแล้วยังสอนให้เราไปนิพพานได้ด้วยไม่มีศาสนาใดที่จะสามารถสอนให้เราไปนิพพานได้ศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเขาจะสอนให้ไปสวรรค์กันห ร, หรือไม่ให้ไปอบายกันแต่เขาไม่ ไม่มีความรู้ที่จะสอนให้ยุติการเมียนา่าตายเกิดได้มีแต่คําสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคําสอนทั้งสอนให้ไปสวรรค์สอนให้ไปนิพพานสอนให้ปิดประตูวายกันศาสนาพูดจึงเป็นศาสนาที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ถ้าผู้ใดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อแล้ว เข้าหาพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพราะธรรมคำสอนในรูปแบบต่างๆแตศึกษาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างตอนนี้ก็ได้แตศึกษาจากการอ่านหนังสือธรรมะต่าง ๆ, ๆก็ได้นตศึกษาจากการไปสนทนาธรรมกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้พิธีาา ก, การเหล่า น, นี้จะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่เราไม่รู้มาก่อนก็คือเรื่องที่เราสงสยยัยกันว่า ตายแล้วศูนหรือไม่ศูนคํคำตอบก็คือตายแล้วไม่ศูนเพราะผู้ตายนั้นเป็นเครื่องหนึ่งของชีวิตเป็นเครื่องมือไม่ได้เป็นตัวสาคัญของชีวิตตัวสัมคัญของชีวิตตัวตัวกระทําบุญหรือกระทาบาปตัวที่จะไปนิพพานนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตจใจหรือดวงวิญญาณ น, นี้ถ้าทําบาปมากกว่าบุญดวงวิญญาณก็จะถูกส่งไปอบาย ถ้าทำบาปถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปดวงวิญญาณก็จะส่งไปสวรรค์ถ้าซักพออจิตใจให้สะอาดได้คําจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ก็จะไปนิพพานแทนไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคืออา น, นิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมห น, น, นึ่งในอานิสงส์ที่ ห น, น, นึ่งในอนิสงส์รุประโยชน์ของการฟังธรรมก็คือจะ ก, กำจัดความนังเลสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องนาโลกเรื่องสวรรค์เรื่องตายแล้วสูญหรือไม่สูญเรื่องไปนิพพานนี้ได้จะ ก, กำจัดความสงสัยเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้แล้วจะทําให้สามารถดาเนินชีวิตดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องได้ ก็คือปิดประตูบายไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนไปถึงขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานได้อันนี้คืออั น, นิี้ส่งประโยชน์ของการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีประโยชน์ถึง5ข้อด้วยกันแต่ข้อสําคัญก็คือช่วยกําจัดความสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องมรรคผลนิพพานได้ ถ้าพังรมบ่อยๆแล้วก็จะเกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่านากสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงก<ม>ารไปนิพพานนี่มีจริงก็จะมุ่งไปสู่การกระทาที่เป็นเหตุให้ไปสวรรค์ไปนิพพานตามลำดับต่อไป<ม>แล้วในที่สุดเมื่อได้ปฏิบัติเต็มเต็มที่แบบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลการบรรลุไปถึงพระนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปอย่างแน่นอน<ม>นี่ก็คือเรื่องของการสั่งเทศฟังธรรมประโยชน์ของการฟังธรรมโดยเฉพาะประโยชน์ที่ได้รับจากการกำจัดความสงสัยในเรื่องราวต่างๆในเรื่องการวินาศตายเกิดในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์ไปได้อย่างแน่นอน<ม>นี่ก็คือ ทมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา<ม>ก็จะขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าในอันดับต่อไปเราจะมีการปฏิบัติธรรมกันเราจะมาปฏิบัติธรรมัที่ขั้นเรียกว่าขั้นสมาธิขั้นซักพอกจิตใจให้สะอาดแบบชั่วคราวก่อนการเข้าสมาธินี้จะทำให้ใจเราปราศจากความโลภความโกรธความหลงแบบชั่วคราว แต่ไม่แบบท้าวรตอนต้นเราต้องทําใจเราให้สะอาดแบบชั่วคราวก่อนด้วยการใช้สติคอยควบคุมใจไม่ให้ผลิตความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาถ้ามีสติคอยควบคุมใจควบคุมความคิดที่เป็นผู้สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่แสดงตัวเมื่อความโลภความโกรธความหลงไม่แสดงตัว ความสงบความสุขก็ปรากฏขึ้นขึ้นมาทำให้เราเห็นให้เรารู้ว่าความสุขของพระนิพพานเป็นอย่างไรนี่เพียงแต่ว่าความสุขของพระนิพพานนี้ยั่งยืนถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสื่อไม่มีวันหมดแต่ความสุขของสมาธินี้เป็นความสุขชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิแล้วพอกำลังของสติที่ ส่งให้เข้าไปในสมาธิอ่อนลงหมดลงความโลภความโกรธความหลงก็จะผุดขึ้นมาใหม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจใหม่ถ้าอยากจะให้ความโลภความโกรธความหลงที่มาสร้างความวุ่นวายใจหลังจากที่ออกจากสมาธิมานี้หายไปหมดก็ต้องใช้ปัญญาขั้นต่อไปพิจารณาให้เห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อยากได้อะไรอยากไปคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะมันเป็นความสุขเดียวเดียวพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามองให้เห็นว่าความสุขเป็นความสุขแบบชั่วคราวอันนี้จังเป็นความสุขที่เราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปไม่ช้าก็เร็วพอรู้อย่างนี้ต่อไปก็ก็จะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไป เพราะสิ่งที่อยากได้รู้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น mm. ไม่ใช่เป็นสูงตามที่เคยคิดไว้ mm. แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจความสงบที่ถูกทำลายด้วยความโลภความอยากก็จะกลับคืนมา mm. เวลาที่ความโลภความอยากหายไปหมด mm. แต่นั่นเป็นขั้นที่สองขั้นแรกเราต้องมาทำให้มันสงบแบบชั่วคราวด้วยการใช้สติก่อน เราจะมานั่งสมาธิทําใจให้หยุดคิดหยุดความโลภความโกรธความหลงให้ได้เสียก่อ น, อนสติคือการเราลึกรู้เราต้องบังคับสติบังคับจิตให้ละลึกรู้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่จะทําให้ใจสงบไม่คิดฟุ้งซ่านนั่นเองอเช่นคำบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกหรือการสวด บ, บทต่างๆ วิธีการเหล่านี้จะบังคับให้ใจอยู่กับกรรมฐานด้วยสติเราจะทําให้ใจนิ่งให้ใจสงบตามลําดับต่อไปได้ถ้าใจไม่ทิ้งกรรมฐานถ้าใจอยู่กับกรรมฐานอย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งเลยไม่เผลอเลยไม่วัไปคิดเรื่องนั้นไม่ไทาวัดไปคิดเรื่องนี้ไม่นานสักสีห้านาทีจิตก็นิ่งสงบเข้าสมาธิได้แต่ถ้าไม่สามารถให้มัน อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องสี่ห้านาทีนั่งไปว่าปั๊บหนึ่งเดี๋ยวก็วับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็กลับมานั่งเดี๋ยวก็กลับมาดูลมใหม่กลับมาบริกรรมพุทธโธใหม่ถ้าทําสลับไปสลับมาอย่างนี้โอกาสที่จะเข้าสมาธินี้เป็นไปได้ยากจึงต้องพยายามฝึกสติให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิกันเพราะว่าเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้ พอเราลืมตาขึ้นมาเราก็เจริญสติได้เลยบริกรรมพุทธโธพุทธโธแล้ว ร, ร, รู้อยู่กับพุทธโธอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆทำอะไรแล้วก็ในใจเราก็พุทธโธไปกินข้าวอาบน้ำนัำ่งหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็พุทธโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราบลดราบยศเสริเสริญอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆ ถ้าอย่างนี้แล้วใจเราจะนิ่งใจเราจะสบายจะเย็นถึงแม้จะไม่สงบเข้าสมาธิก็จะคอยควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องราวที่ฟุ้งซ่านต่างๆได้พอเวลามานั่งสมาธิก็สามารถกำกำกับให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องให้ดูลมอย่างต่อเนื่องหรือให้บริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเร่งนี้ได้ใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้ เวลาเข้าสมาธิใจก็จะเน่งสงบเยน็นสบายมีความสุขไม่มีความหิวความอยากอะไรทั้งสิ้น ม, มีแต่ความอิ่มความพอสักแต่ว่ารู้อันนี้แหละคือผลที่เราต้องการในเบื้องต้นของการทำสมาธิต้องการสร้างนิพพานแบบเชั่วคราวไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อเรามีใจเรามีความสุขแล้วใจเราจะมีกำลังสู้กับความอยากยาต่างๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมา พ อ, อใจถูกกิเลสหรอกให้ไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็สามารถหยุดมันได้ถ้าเราเห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาหมดไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ต่อไป พอไม่มีความอยากได้ใจก็จะนิ่งสงบกลับกลืนกลืนกับเข้าสมาธิแต่โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิสงบเหมือนตอนเข้าสมาธิสงบด้วยปัญญาที่สอนใจให้หยุดความอยากแล้วก็สายกำลังของสมาธิที่ได้มาจากสมาธินี้หยุดความอยากได้ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีปัญญาสอนให้หยุดความอยากก็หยุดความอยากไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้ ยังต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนให้ใจมีกําลังหยุดความอยากให้ได้ก่อนเมื่อมีกําลังหยุดความอยากแล้วพอไปพิจารณาทางปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยาก<ม>ก็หยุดความอยากได้ทันที<ม>อันนี้คือตอนนี้เราจะมานั่งทําสมาธิกันให้มีสติอยู่กรรมฐานอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ก็อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนอย่าไปทําอะไรอย่างนื่น มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามรู้มีอารมณ์เข้ามาก็อย่าไปตามรู้มีรูปเข้ามามีภาพเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวไปใจถึงจะเข้าสู่สมาธิได้อย่างในเวลาไม่ไ ม, ไม่ไม่นานแต่ถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานแว บ, บไปแว บ, บมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบเั้นก็สำคัญถ้าอยให้ใจสงบนี้ ต้องมีสติอยู่กรรมฐานไปให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วใจเราจะนิ่งสงบแล้วจะเกิดความสุขพอมันสงบแล้วมันก็จะนั่งไปได้นานมีความสุขกับความสงบมันก็จะไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดนี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมาทำกันหน้าบัดนี้เป็นระยะเวลาประมาณ25บนาทีด้วยกัน อตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วตอนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งก็สามารถใช้วิธีนี้นั่งต่อได้เลยก็จะได้รับความสงบเหมือนกับวันนี้แต่อย่าไปอยากนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทําให้มันสงบ ต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องแบบวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยก็ควรที่จะฝึกสติให้มากขึ้นระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพยายามมีสติอยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับการกระทาของร่างกายไปและเวลามานั่งสมาธิก็จะมีสติมากขึ้นก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราภิริภูติสากหลังเอวเมวะอิต e ทินังเปตานังปกปติอิจตังปะิตัง e ตุมหังเกเปเมวะสัมมิจตุสัพเพภูริตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามริโชต ราสุยาธาสพิเตโยวิวัชัะตุสัพพะโรโคนัสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสิลิสะมิจังหุธาปจายโนจตารธตมะวัตันติ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 ส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่ากราบเรียนครับผาจานวันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กผ้าจา์สุชาติสอง้ห้าสิบสี่ท่านทาง u ู u ูบผ้าจา์สุชาติสามร้อยสองท่านทาง u t u b e ดรวีสี่สิบห้าท่านทาง c l ับเฮ u s ์หกท่านทางวิทยุออนไลน์4ี่ท่าน ผู้ระฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสิบสองท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยยี่สิบสามท่านครับกราบประกการาชาสัมพานพาจารย์เจ้าค่มีคำถามจากทางเฟ e บ o o k ถามเข้ามาว่าเมื่อเรานั่งภาวนาเข้าสมาธิแล้วพอสมาธิถอดออกมา รู้สึกปวดขามากแทบสุดทนไม่ได้เราควรพักใจการภาวนาก่อนหรือฝืนนั่งต่อไปดีคะถ้าเราอยากจะสู้กับความเจ็บปวดก็นั่งต่อไปก่อนถ้าเราสู้ไม่ไหวก็ถอยออกมาก่อนแต่เราต้องคิดว่าต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแบบตอนที่เรานั่งถ้าเราสู้มันได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ท้อ เจ้าขาจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะขอถามด้วยเจ้าค่ะว่าผู้หญิงปฏิบัติจะได้เท่าผู้ชายไหมเจ้าขาได้เหมือนกันน่ยมันไม่ได้อยู่ที่หญิงหรืชายอยู่ที่ปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยปฏิบัติ ด, ดีหรือไม่ปฏิบัติไม่ดีจิตเหมือนกันจิตผู้หญิงจิตผู้ชายก็เป็นจิตเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันมีธรรมะเหมือนกัน เจ้าค่ะขอกุศโลบายจากพระอาจารย์ในเรื่องของความเพียรให้มีความเพียรบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเจ้าค่ะถ้าขี้เกียจก็ให้นึกถึงความตายว่าวันนี้เราอาจจะอยู่เป็นวันสุดท้ายก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าเราจะไม่รู้ว่าถ้าอยู่ไปแล้วเราจะมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติเหมือนได้ตอนนี้ได้หรือเปล่า พราะไม่มีรายแน่นอนในอนาคตถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่เกียดค้านตอนนี้เราปฏิบัติได้มีเวลามีโอกาสก็รีบฉ่วยโอกาสน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลดแล้วก็จะไม่มีน้ำให้ตักเจ้าค่ะจาก u ูทู e กราบมรักการค่ะไม่อยากมาเกิดชาติหน้าแต่ชาตินี้ยังหาทางเกิดยังไม่เจอค่ะ ปัญญาที่จะหลุดพ้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะก็หยุดกิเลสเท่านั้นเองหยุดความโลภความอยากต่างๆไปอยู่วัดนะไปบวชซนะอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปกินไปเดินไปหาความสุขจากเรื่องเสียงกินล้นแค่นี้ก็ไปถึงนิพพานได้แนละ้วเจ้าค่ะจากเฟ e b o o k ค่ะกลับเย็นถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อถึงวันพระเราควรจะเตรียมผลไม้น้ำและพวงมาลัยถวายบนิงพระหรือเปล่าคะ แล้วแต่เราเราจะทํำยังไงก็ได้แต่มันช่วการปฏบิบัติบูชาไม่ได้ถึงวันพระเราไปถือศีลถือศีลแปลนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนี้จะได้บุญมากกลับไปถวายด้วยดอกไม้ทูบเทียนอะไรต่างๆ ย, ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้ค่ะ อ, อามิสบูชากับปฏิบัติบูชา อ, มอามิสบูชากับบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆ เพืน้อมจิตของเราเพื่อแสดงความเคารพนับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญได้ก็น้อยกว่าบุญที่จะได้จากการปฏิบัติบูชา อ, อามิสบูชานี้ทําให้เราไปนิพพานไม่ได้แต่ปฏิบัติบูชานี้ทาํ า, า, ทาทให้เราไปถึงนิพพานได้ดังนั้นควรจะมุ่งไปที่การปฏิบัติบูชาเป็นหลักแต่ถ้ามีโอกาสอยากจะมีดอกไม้มา มาไหว้ก็ใช้ได้เปลี่ยนดอกไม้บ้างก็ดีดอกไม้เก่ามันเชฉาแล้วอหรือไม่มีดอกไม้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ดอกไม้เป็นการบูชาก็ได้ใช้ปฏิบัติบูชาเป็นหลักก็ได้ยังไม่มีคําถามค่ะแมาา่เจ้าค่ะปฏิบัติบูชาสําคัญกว่าอาบิสบูชาถ้าใครมีคําถามอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้นะ คุณสุนะขศธนารกับเพื่อนส่งไม้ไปหน่อยจ้า กับนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีลูกสงสัยเพราะว่าลูกได้ยินเขาพูดบอกว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วและผู้ที่จะได้รับบุญกุศลน่ะต้องเป็นเปรตเท่านั้นเหรอเจ้าคะแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นเปรตเขาจะไม่ได้รับบุญเหรอเจ้าคะถูกต้องเพราะว่าถ้าไปสวรรค์ก็มีบุญมากพอไม่ต้องมารอรับบุญ ถ้าไปนรกไปเ ป, เป็นเป็นอย่างอื่นก็ไม่ไม่สามารถออกมารับได้ในเปรตเป็นพวกขอทานทางด้านจิตวิญญาณเขามาขอได้แล้วลูกสงสัยอะค่ะอย่างอย่างยมแม่ของของโลกอะค่ะเพิ่งเสียไปอย่างนี้ค่ะแล้วที่เราทำบุญให้ลูกอยากทราบว่าคุณแม่ได้ได้ไดรับบุญไหมคะเขาังสมาธิอยู่่ย นั่งสมาธิดูต้องมียานอย่างทราบถึงจะรู้ถ้าไม่มียานอย่างทราบก็ไม่รู้แต่เราก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกันคะเผื่อท่านหน้าขาดบุญออย่างไล่ล่อนอยู่เหมือนคนขอทานอยู่แม่ก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปแต่ถ้าแม่ไม่ได้รับบุญก็ยังเป็นของเราอยู่ก็จะป้องกันให้เราไม่ต้องไปเป็นไปในเวลาที่เราตายต่อไปเราก็จะมีบุญติดตัวไปเราก็จะไปสวรรค์ งั้นไม่ต้องกังวลการทำบุญนี้ไม่ขาดทุนมีแต่ได้รับประโยชน์ถ้าแม่ไม่ได้รับประโยชน์เราก็จะได้รับประโยชน์แต่บุญนี้ต่อไป่างที่แม่เขามีบุญมากกว่าเราเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญจากเราก็ได้แต่ทำไว้การทำนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีทานึกในพระคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณกับเราเพื่อราคิดเผื่อไว้ เตาท่านไปเหเล่นล่าล่อ ต, ก, ต, ก, ต ก, รกรรมนําำบากอัตคัดขัดสนพอเราส่งบุญไปก็เหมือนส่งเงินไปทางธนานัดให้เขารับได้รับเนีเขาก็ไปเบิกไปซื้อข้าวซื้อของกินได้เจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะจากเฟซมุกเจ้าค่ะคนป่วยทางจิตควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ด่าพ่อแม่เขาจะบาปไหมแล้วเกิดจากกรรมอะไรเจ้าคะถึงให้เขาเป็นแบบนั้นหรือเขามีกรรมร่วมกันมากับพ่อแม่เจ้าคะการเสียสติไงไม่มีสติก็นำให้กลายเป็นคนบ้าไปฉะนั้นต้องพยายามรักษาสติไว้คนบางคนถูกเหตุการณ์รุนแางกระทบจกนกระทั่งไม่มีสติเป็นบ้าไปแต่ก็อาจจะเป็นบ้าไปชั่วคราวเดี๋ยวพอได้ ในกำลังสติกับคืนมาก็จะหายบ้าได้อังนั้นก็ต้องระมัดระวังถ้าเรามีสติมากๆนี่โอกาสที่จะเสียสติโอกาสที่เราจะเป็นบ้า น, นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สาขาจากเฟซบุกสาานั่งภาวนาสักพักเผลอไปคิดฟุง้งเหมือนพอรู้ตัวก็มาบริกรรมใหม่ตัดฟุ้งบ่อยมากไม่มีพลังจิตไม่ค่อยรวมนาน จะแก้ยังไงดีเจ้าข่ต้องฝึกสติทั้งวันก่อนก่อนจะมานั่งสมาธิต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่อยู่กับการกระทําของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นอยู่กับร่างกายไปตลอดวันแล้วเวลมามันนั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุง้งใจก็จะสงบได้ง่ายเจค่ะถ้าเปรียบ การบรรลุธรรมคือคะแนนเต็มสิบแล้วชาตินี้เราเพียรปฏิบัติได้แค่ห้าแล้วตายก่อนชาติหน้าเรากลับมาปฏิบัติใหม่จะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยหรือไม่เจ้าขาก็แล้วแต่ว่าเป็นเป็นแบบไหนแบบเสื่อมหรือไม่เสื่อมถ้าไม่เสื่อมก็ก็ปฏิบัติต่อได้แบบเสื่อมก็ต้องเริ่มต้นใหม่อย่างสมาธินี้ถ้าเลิกทาไปมันก็เหมือนกับเสื่อมได้ทํามาเริ่มต้นใหม่ ถ้าเป็นปัญญานี่มันไม่เสือ่อมใช่ไหมคะสอบถามครับบทบุญในสวรรค์ต้องกลับมาใช้กรรมไม่ดีที่เคยทําด้วยใช่ไหมครับก็ถ้าลงมาจากที่สูงก็จะมาเกิดดีเกิดเป็นคนมีบุญมีวาสนาะถ้าเกิดมาจากที่ต่างก็จะเป็นคนที่ด้อยอภาภัพวาสนาเกิดคนเราถึงมีไม่เหมือนกันบางคนนี่มีมีวาสนาะบารมี แสดงว่าลงมาจากสวรรค์พวกนี้เกิดมาร่ำ ม, มารวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองร่ารวยสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบสามสองเป็นต้นพวกที่ลงมาจากขึ้นมาจากข้างล่างก็เป็นพวกที่เกิดมาแต่ขัดขัดสนรูปร่างไม่สวยไม่งามหน้าตา ไม่ผิวพรร์ไม่ส่องไสในโรคภัยไข้เจ็เบเดียดีดนอาการไม่ครบสามสิบสองเป็นต้นพวกนี้จะเป็นผลของบาปที่เรายังที่ยังตกค้างอยู่ในใจค่ะจากยูทูปพาจารย์ค่ะกลับในมัดการหลวงพ่อครับผมนั่งสมาธิระหว่างที่หลวงพ่อแสดงธรรมสักพักผมก็เริ่มไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อแต่ก็รู้ตัวว่าไม่ได้รับ โดยจริงๆแล้วผมต้องมีสมาธิฟังให้ได้ยินเสียงหลวงพ่อตลอดแล้วกลายเป็นเพ่งไปไหมครับถ้าจิตมันเข้าข้างในก็จะไม่ได้ยินจิตมันจะสงบก็ไม่เป็นไรการฟังฟังได้สองแบบฟังให้สงบหรือฟังให้เกิดปัญญาถ้าฟังให้เกิดปัญญาเราต้องคิดตามถ้าเราคิดตามมันก็จะไม่เข้าข้างในมันก็จะคิดด้วยเหตุได้ผลแล้วมันก็จะได้ความเข้าใจแต่ถ้าฟังเสียงอย่างเดียวไม่คิดตาม เสียงนี้ก็จะกล่อมใจให้เข้าข้างไหนได้เข้าข้างไหนก็จะไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรได้ประโยชน์คนละอย่างกันได้สมาธิหรือได้ปัญญาเาค่ะหากตายแล้วสามารถเกิดไปในอดีตได้ไหมครับเกิดไปในอดีตไปไงเพื่อมหากตายแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วกลับไปไม่ได้แะ้ี่แต่้างหน้ามีแต่งานคด จาก you t u b e ค่ะผมเคยโดนทดสอบตอนฝันเรื่องกิเลส ต, ต่างๆบางครั้งผ่านบางครั้งไม่ผ่านแต่บางครั้งก็พลาดตื่นมาผมเลยทบทวนว่าทำไมเราทำแบบนั้นเพราะผมและจําความฝันได้ตอนตื่นจําเป็นไหมครับว่าเราต้องมีสติให้ได้ตอนฝันพ อ, อตอนฝันแล้วไม่มีสติมันเป็นเรื่องของของบุญของบาป ท, ที่เราทาให้มันจะมาแสดงผลให้กับเรา ขอสอบถามพระอาจารย์วิธทีทำให้มีอุเบกขาจิตต้องทำอย่างไรคะต้องฝึกสติเยอะๆนั่งสมาธิบ่อยๆให้จิตนิ่สงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาทำบ่อยๆทามากๆพวกที่เข้าไปบวชนี่พวกฤาษีนี่เขาทำเขาทำแต่สมาธิกับสติเพียงอย่างเดียวเขาสามารถนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง ออกมาจากสมาธิเขาก็มีสติควบคุมใจตลอดเวลาเจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วเกิดปวดขาเราจะพิจารณาว่าสังขารนี้มันทุกข์คนเราเกิดมาหาความทุกข์คิดแบบนี้ในะระหว่างปวดขาได้ไหมเจ้าคะถือต้องพโทรเข้าสู้การปวดขาค่ะก็แล้วแต่เราอันไหนที่ทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก็มันก็ใช้ได้แต่อย่าไปขยับขาอย่าไปหนีมัน สอนใจให้สู้กับมันให้อยู่กับมันให้ได้จากเฟดบุ๊กเจ้าค่ะช่วงบ่ายอากาศร้อนผมจะง่วงนอนลองฝึกนั่งสมาธิวันนี้อาการง่วงหายไปเลยครับการทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาในพบนี้ถึงไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานจะเป็นอุปนิสัยติดไปพบหน้าใหม่เจ้าค่ะ ก็เป็นเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่ว่าเราทํามากทําน้อยถ้าทํามากมันก็จะเป็นมากถ้าทําน้อยมันก็จะเป็นน้อยคุณสันติเจ้าอายุหกสิบกว่าแล้วเขาบอกว่าห้ามบวชจะเป็นภาระผู้อื่นอยากเข้าวัดปฏิบัติธรรมติดที่ยังมีภาระทางโลกอยู่นิดนึงถ้าพร้อมแล้วจะขอเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ไม่กล้าบวชเป็นพระเพราะ ไม่มั่นใจในการถือสิ2 2 7ข้อขอถือสิน5สิน8ได้ไหมครับก็แล้วแต่วัดนะต้องไปถามเจ้าวาดดูลองวัดเขาให้บวชเป็นตาบระขาวไปก่อนถือสิน8นุ่งขาวห่มขาวถ้าถ้าปฏิบัติตัวดีไม่เป็นภาระกับใครเขาก็อาจจะบวชให้ก็ได้ เจ้าค่ะกลับในมันสการเจ้าค่ะถ้าเราสวมดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วบอกว่าให้ผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินแล้วเข่าแล้วเขาจะได้บุญไหมคะบุญพวกนี้ยังไม่เกิดเนี่ยนั่งสมาธิ จ, จิตยังไม่สงบฉะนั้นอยาาใช้อุทิศบุญเหล่า น, นี้ไม่ได้มันยังมันเหมือนปลูกต้นไม้วันนี้จะเอาผลมันยังไม่เกิดผลถ้าอยากจะเกิดผลต้องทาต้องปลูกทวงอ้ เพราะถุงว่างไว้คืนนี้พรุ่งนี้ก็เอาไปกินได้เลยนะก็ถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ไปใส่บาตหไหยสังฆทานเนี่ยทำปุ๊บได้ปั๊บเลยบุญเกิดขึ้นทันทีความสุขใจเกิดขึ้นทันทีแต่นั่งสมาธิไป ใ, ใจยังไม่สุขยังไม่สงบมันก็ยังไม่มีบุญค่ะยูทู e ค่ะถามเข้ามาว่าขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตและธรรมค่ะ จิและธรรมจิตและธรรมเจ้าค่ะจิตก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่ยธรรมก็คือคําสอนของพระเจ้าธรรมก็มีสอนผู้รู้ผู้คิดให้ไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จิตจึง ต, ต้องอาศัยธรรมธรรเป็นเหมือนยารักษาโรคจิตจิตตอนนี้ทุกทุกเพราะโรคโรคของกิเลสโรคกวดหนงนธรรมก็จะสอนให้ละโรคกวดหนุ เราโรคกอดลงในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือเรื่องธรรมกับจิตธรรมะเป็นเหมือนยารักษาโรคจิตจิตตอนนี้มีโรคคือโรคของความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าอยากจะให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหายไปก็ต้องกินยาธรรมะโอสถปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าทาทานรักษาศีลภาวนาไป ก็ค่ะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิเป้าหมายนี้าทาเป้าหมายคือจะทำให้เกิดปัญญาทางธรรมใช่ไหมคะเป้าหมายก็ค่าดับกิเลสกำจกำัดความชุ่งจงจ่างให้หมดซึ่งไปเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาค่ะมีคำถามสำรองไหมมีใครสำรองเก็บไว้ในใจอยากจะทำตอนนี้ก็มาถามได้ เวลาว่ามีเฟซบุ๊กถามเข้ามาจ้ามีน้องชายที่ทําแต่เรื่องทุกข์ใจให้อยากตัดกรรมให้เร็วๆจะทาอย่างไรคะตัดกรรมกรรมใครนะ้าน้องชายทำแต่ทําให้ให้เกิดความทุกข์ใจอย่างค่ะอยากอยากตัดกรรมตรงนี้ให้เร็วจะทําอย่างไรดีการตัดถางปล่อยว่าเล <laughs> ย๋ยวไปสนใจเขาเลย ตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันามถามมีคําถามยังไงคราวนมาสการพระอาจารย์ค่ะโยมสงสัยอีกแล้วเจ้าค่ ะ, ะเวลาที่พระอาจารย์เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบพระอาจารย์เคยแบบไม่หิวข้าวไม่ไม่ต้องลุกไปไหนอะไรอยู่ทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะอย่าถามก็อย่า เ, เช้าหดคุณว<ม>ิเศษ ยงอยากรู้เจ้าค่ะลองทำเองสิอยากจะรู้มกม็เลยรู้ ก, ก็มันมันก็ไม่อยากกินข้าวม่อยากอะไร<ก>อย่างนี้เจ้าค่ะแต่ว่าถ้าจิตมันนี่มันก็ไม่หิวอดข้าวได้ดวันทีละสามวันห้าวันเจ็ดวันได้ถ้าจิตสงบเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> ยงว่ามันมันมีความสุขเจ้าค่ะก็เลยสงสัยอยากอยากทราบตรงนั้นเจ้าค่ะใจอิ่มใจมันนี้อนุภาพแรงกว่าความหิวของร่างกาย มันกบความหิวไว้ได้หมดเลย เ, ออเจ้าค่ะกล่ออาวขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคำถามจากนะักกุฏิเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ให้ข้อถามในช่วงที่ผ่านมาได้รับมอบหมายตำแหน่งงานเพิ่มและมีหัวหน้างานใหม่สังเกตตนเองมีความวุ่นวายใจ ความไม่พอใจในการทํางานและอยากลาออกจากงานบางตําแหน่งมีความเครียดและหงุดหงิดจากการทํางานก็มีอะไรก็ต้องทุกกับมันถ้าไม่อยากจะทุกก็อย่าไปมีมันท่านเองมีแฟนก็ทุกกับแฟนมีลูกก็ทุกกับลูกมีสมบัติก็ทุกกับสมบัติมีตําแหน่งก็ทุกกับตําแหน่งถ้าไม่อยากจะทุกก็อย่าไปมีมันท่านเองหมอท่านอะไรจักหา โอเคหมนแล้วก็เอาท่านี้กอนกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตริจารา์ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธาธุ